ในวันนี้วันนี้ราชเวลาไปเยวะรอกระป่าพวกบัณฑ์โป่งเขาไปฆ่าจับป่ามาที่วันนี้แต่เขาจะเลยไปในน้ำป่าจักไปเชื่ยกันด้ยวยในรถ เ, รเรสือรถเสือก็ เ, กเกสือจะเปลี่ยนระดับสี่ห้าสมุนจะมาี้ดากระมุกบัณฑ์โตรงโพทารามรงพยาบาลบาันส์ ถ้ามเสียวเวลาราชาเป็นเรื่องธรรมดานีจังเหยื่อทุกขงังตาัาไม่แน่นอนรถนัดมันหลุดเคลมันหลุดก็ยังไงไม่สับต้องไปจะเปลดดี่ยนล็ไบ้าจะหาเล็ถในปรเทศมาเปลี่ยนรถบรอยูยก่กันก็ช้าไม่จะเป็นเรื่อง ห, หลอะเลอะรื่องธรรมดากานทั้งหลายอย่าจับงันให้มันตายไปไหนก็เปลี่ยนให้มันต่อ รถจะไปดูๆก็เสียได้เราหน้าเพื่อนไงเราก็ไปไม่ได้ปวดท้องปวดท้วเป็นไข้จะเป็นได้อยากคิดอย่างมันแน่นอนจะเมอตายอะไรในโลกมีความแน่นอนนะมีความจริงใจไหมไม่มีเลยท่านผู้ปฏิบัติธรรทั้งหลาย บางคนมาเนี่ยขามาจะมาปฏิบัติไม่พล่องก่อนหรอไม่คีบังอะไเข้าอาการที่จะชนะปฏิบัติแต่การปฏิบัติไม่เหมือ น, อน ก, กันตามคำสอนที่กระจากชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ถึงใจมันตัดอะไรมีเน่อนอนในชีวิตนั้นความและในชีวิตที่แน่านอนที่ถูกต้องมีมั้นการฆ่าเคลื่อน เลาเคล่นไหวเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะลราให้ท่านฟังมานานเนะี่ยแต่ท่านไม่เข้าใจอดีตเป็นความสัมนปะัจจุบันนี่คือเป็นความจริงคือเงินอดีตก็เป็นคารสันถ่านมาตัองหลายวันะจะไปคุยกันทำไมเลือ้อยเลื่อนเลื่อนไมาเล่ากันใหม่มันเสียเวลานะนี่แหละอันนี้าเอ๋ยทุกข์รรแห่งนั่นตางสัะ อนาคตหาคามแน่นอนไม่ได้อย่าจับ้ั่ท่านมันตายท่านผิดหวังที่จะเสียาใจตัวชีวิตคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือในอยู่ละท่านผู้ปฏิบัติธรรมหาการแน่นอนในชีวิตไม่ได้เลยเกตดที่นี่ตัอไปอยูดตรงนี้กิดตรงนี้น้องไปอยุดตรงนั้นมีอะไรแน่นอนมาโควงแช่งบานไม่ใหญ่โตผ่าไปตายอย่างนันที่ เรียกเตยก็ไม่ได้เรียกตายก็ไม่ได้เรียกสร้างความดูได้ยังไม่มีใครเรียกไม่มีใครสร้างเวลาทังก็หมดไปแล้วหน้าที่ได้นะอาตมาเสียใจเหมือนกันหมดเวลาไปแล้วเรียกคืนไม่ได้แล้วก็แกแล้วมันก็ชุกแล้วจะย้อนไปถึงอดีด็กให้เราเป็นเด็กรูดนมใหม่จะไปศึกษาหน้าเรียนใหม่สร้างคามดีใหม่ก็ทําไม่ได้ มีอทางเดียวคือรอเวล า, าตายกาทั้งหลายเป็นนมภาษา ย, ยากรรมาบเนะ่ยมาเคลนตาไปสารศพหนมสาสะกะตายแล้วมาเรียนเคยมาทพิรักตายแล้วเวลาถผาที่แบบรอเป็นคิกข้างจะตายการทั้งหลายเ อ, อย๋ยยาให้ใจผิดคิกขลัอะไร ม, มันแนนอนในชุดความลักือแนนอน ความเปลือยทางนี้แน่นอนไม่มีอะไรดีเกิดเอ่ยในโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรดีเลยสาโกนโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนถ้าท่านจะจับมัน่นธรรมนตาจะแน่นอนตรงไหนละ่ะล้วเกิดมาในสาโกนโลกนี่มีที่มีน้าหลับมาทะเละอันแต่ยังไม่แน่นอนอีกพอมาเลี้ยงลูกมา หลายคนคิดแบคนต่อมาทามสอบให้รูแน่นอะนไะนะม่แน่หลาตแกแล้วชีวิตต้องตายในวันเช่งนี้มาหลับเงินสายตายซะก่อนนี่แหละหาความแน่นอนในชีวิตไม่ด่าอย่างนี้เหรอะนะอะไรละ่ะที่มันมีประโยะชน์ต่อชีวิตในกิจประจำวันรีบทำทุเดีวนี้ได้ไหนะโอทันยามรานางสุเว อย่าผัดวันประกันช่วงเลยมาไล่ตีหน้าฉันมาน้าปฏิบัติอย่าไปคิดอย่างนั้นว่าจะสร้างความดีผัดวันประกันช่วแต่ความชั่วลายสามมาในคิ้เราก็มาได้คิดเราทาการน้ำเผลอน้ำใจภูไกรมาลายเป็นการถูกต้า แต่ท่านอาจจะตีความให้ชัดเจนกว่าถูกใจก็เป็นการถูกใจไม่ใช่ความถูกต้องนั้นไม่ใช่ความถูกใจแต่ธานตามตามน้ำเพล น, น้ำใจของท่าน้อบใจไม่ใชทางที่ดีต้องฝืนใจถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าเอาใจใส่ตัวเองแต่อาาเอาใจคนอื่นครับบ๊า เห็นจะผูกต่อเร า, า, าจะจอาใจเรายอย่างเดียวมาได้เห็นใจคนอื่นเ้ า, ลาเลยเวล่าจะรู้ว่าใครผิดใครผู ก, กไป็นการใดเราก็จะเข้าข้างตัวเราเองตลอดนะโยมตลอดในตอ ง, ตอ ง, ตตงของเร า, าถูกเขาผิดแค่ไหนบ้างลค่เายห็นกับตัวเองูกใจเสมอเป็นการดี อา่คามถูกต้งเราไม่ได้พิจรารณาให้แน่นอนทองแค่แน่นอนแต่ประการใดอาคามถูกใจเสมอไปต่อความถูกต้งเราไม่ได้พิจรารณาถึงแค่นั้นเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานต้องการความถูกต้องต้องการจะขับให้คามถูกใจที่ตามตามใจตัวเองมานานแล้วตามใจตัวเองเอาดีไม่ได้หลือ คมณจนายสอนขั้นเนพะินศาสนาอื่นก็ยังสู้ไม่ได้ตามใจตัวเองตามอารมณ์ตามใจคนแล้วจะดูได้หรือไม่จะตามได้ดูไม่ได้เลยคนที่ดูได้จะฝืนใจเขาแย่อาจาจะใจตัวเองเนะี่ยดูไม่ได้เนี่ยถ้าใจวิชาอิจตัวเองชอบอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้อง ไม่ชอบอย่างนั้นหาว่าไม่ถูกต้องอย่างที่เราชอบเนี่ยเป็นการถูกต้องไม่ถูกต้องเพื่อประการทักโก้ก็ความถูกต้องนั้นไม่ใช่การใจตัวนะการตามใจตัวเนี่ยมัถเป็การถูกใจไ ม, ม, ม, จม่ถูกทางถาูกต้องการเจริญสัตยธรรมเนี่ยต้องการใจวิจัยตัวเองละเมิดศรัทตัวเองว่าเราถูกถูกระการได้ ถ้าญาติโยมมีสติสัมปชัญญะจะเลี้ยงติปัญญานื่ได้จึงตั้งดังที่ว่ารู้ตัวอยู่เสมอถึงจะได้ชัด เ, เชิญยาเหล่าแจ้งชักแล้วเราที่ทำน่ะผิดแน่นอนเราถึงจะตัวเราเองมานานไม่เห็นทามถูกต้องของคุณเองเลยก็คนอื่นกับเราจึงไม่ถูกกันเลยญาติพี่น้องก็ไม่ถูกกันเอาแต่คามถูกกัน แต่การถูกตั้งไม่เหมาะแล้วคนลรามีนิสัยอย่างไรติดนิสัยข้างไหนก็ไปอย่างนั้นแหละเราชื่อเป็นการถูกตัง้งแต่ละมันกลายเป็นการถูกใจเสมอไปเลยจึงดีไม่ได้แล้วณมันมนี้การจเจริญกรรมาฐานต้องการจะไม่มิจใจตัวเองประเมือนผลตัวเองว่าไรทํานมาเนี่ยหลายปีแล้วัแต่เป็นเด็กนาถูกตัง้งหรือไม่ถูกตั้ อ๋อไม่ถูกเลยเป็นการถูกใจเอาแต่อารมณ์เท่านั้นไม่คิดจะให้อารมณ์ผลอีกเะอยากให้เป็นการถูกต้องหรือไม่ไม่ได้วิจัยและประเมินผลกันประการใดออกมาที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นเวลาน่าอยหรือมากก็ตามขอให้เขาให้ได้ฝึกให้ได้ฝึกเวลาเดินเตรียมยืนหนห้าครั้งได้ไหมหล่ะ ถ้าจะรู้ตัวเองวท่านจะท้ามถูกตั้งวิสุทธจักอาแต่อารมณ์ตลอมาถ้าทนเอาแตอารมณ์นะ่งไม่ดูอารมณ์คนอื่นเขาบ้างเอาจะ่ความถูกจใจเสมอไปความถูกต้องก็หายไปเลยความวยุมมมติธรมรมาากม็ไม่มีความวื่อสัจจตฤกษ์ก็ไม่มีด้วยควงชื่อสัจนีหายยากมากไม่มีความยุติธรรมในโลกนี้ เจตมากราวความวิติธรรมของโลกถามมีมากก็แค่คนเราขาเทตขาดนขาชสติทั้นพิจญรณาขาตัวปัญญาแต่จะเรียนถามโยงขึ้นมาว่าราคาโทสะโมหามันเกิดมันเนี่ยจะแ ก, ก้ดีอะไรจะแ ก, ก้ดีอะไรจะฆ่้ล้มาแก้โยงก็จะตอบไม่ถุกต้า มีเล่ห์เกลืองขึ้นมาราคาพินาโทสะพินาโมหะพินาอาทิตตังอาทิตังร้อนอย่างไฟล้อนอย่างธาทตุคือหลับคือเทสน์นี่ร้อนอย่างไฟเขาแผลเราหลอดเลยตามไม่มีความเย็นใจเลยพระเจ้าอมาไปเอามาเปรียบพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรถึงจะแก่ไขราคาโทสะมันแล้อนลมทนไม่ไหวล้งกลุ้มห้ใจ ถ้าจะไปไม่แ ล, ลาะร้อน อ, อกล้อนใจมันใจเา้าขอมร้อนรั้หักหรือจลบ้อนอะไรละ่ะล้อนลุ่มกลุ้นใจหนักออกหนักใจไม่ใช่นะจะอะไรแกจะแค่เดี๋ยวอะไรจะใช้อะไรแกตอบด้วยคำเดียวอะใช้ปัญญาแค่ตัวปัญญานีสำคัญ ประโยชนที่มาเจริญกันมาฐานถ้าท่าได้ถึงอยากตื่ปัญญา ท, าทันทีปัญญาตื่นมาก็ตัวเลยไม่ตัวปัญญาในตัวเนี่ยจะได้รู้เองเนี่าไราเนี่ยถูกตั้งหรือถูกใจปัญญารอบรู้ปัญญาแสดงออกออกมาปัญญาตัวนี้่สำคันมากรอบรู้ในสิ่งทุกคน ร, รู้กาละเทศสุจาละธรระรู้ทั้งบาปรู้บุญคุรุโทษประโยชน์จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ รูอละเอียดรู้ออกรู้ของอารมณ์รู้เอ่อนคลายอะไรควรไม่ควรรู้จั ก, กาละเทศาตรอยื่อางลขณะรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้โดยเมตกาเพื่อมหาและธรรมอย่างนี้เรียกว่าตัวปัญญายอบหนูรู้ของจริงปัญญาีประตัวของจริงไม่ใช่รู้ของไม่จริงราเดียเ๋ยวนี่ไปเอาของไม่จริง อาที่จึงไม่ชอบไปชอบอ ท, ออที่ไม่จริงไอ้ที่ได้ไม่อายไปไอาที่ไม่ได้แต่หน้าที่ดายเวลาที่มีประโยชน์ที่หมักท่านไม่เคยน้อเพราะฉะนั้นฐานดูตัวปัญญาเพราะฉะนั้นทางวจารสอนให้เรามีปัญญาในตัวจัดแก้ปัญหาได้อย่างดีที่ปัญญาได้มาจากไหนได้มาจากเจริญสกามฐานมืมสติสัมปชัญญะกำหนด ร, รู้ตัวอยู่เสมอ มือโกรโลกบหลวงในจิตก็กำหนดที่ลิ้นตีเนี่ยเสียใจหน่อถอให้ผู้ปฏิบัติทำให้ได้ครั้นี้รอจะพ า, าความโกรธเนะี้ยถ้าปัญญากำหนดนี่แปลว่าอะไรแปลว่าตั้งสติให้รู้ถึงตัวปัญญาถ้ามีปัญญามาไล้วค้ามโกรธจะหายไปเลยจะไปกโกรธาำไมโกรธสามีืโกรดภรรยาโกรธโลกได้โกร ด, ดเที่งแต่สติถ้ามีปัญญากำหนดว่าโกรธหน่อ ใจ้ยายายาสัญญาจะบอกเลยว่าไปเกคุก้นหนามันเสียสนหมอไทยเคียอบทำให้เสียงานเพื่การขายของควรจะได้จับขายไม่ได้จดปต่องานควรจะได้จับไม่ได้เลยภาษาพาหณ์โสดอารมณ์ค้างไปเหนือมาใต้อารมณ์ค้างตลอดไปจูาจตงานไม่ได้เลยเอยอเดอรก็ไม่ได้หมดขัญยาเขามั่เยนชนชอบ ตัวนี้เป็นตัวสําคัญใคจะนั่งทําะไรก็ใช้ปัญญาปัญญานี่จะเย็นมากมันร้อนล า, าพิณาโทจารพาณโมหะพิมาอาทิตังอาภิตัล้อนอย่างเดวงอาทิตย์ร้อนอย่างปายเท้าขอนเพชรจักรอย่าลืมกลมใจตลอดคนที่กลมใ า, ายอย่ายร้อนล้อ น, นลนอทําอะไรไม่จะผลจะขายขี้ก็ไม่ได้จะขายของก็ไม่ได้ค น, ลนแล้วแล้วเนี่ย ตู้เย็นไม่ได้เย็นเนี่ยน้ามันจะเกาะตัวมันน้ำแข่งแต่เลื่อนลักขามาชีสร้างความดีในสังคมเย็นถ้าร้อนขึ้นมาน้ำจะละลายตัวเลยจะไหลลงดินไปหมดเลยข้าวความชัม้นมญญาชีัญญาก็าวามดพในสังคมเย็นี้าร้อนขม้นนะม า, าน้ำจะละลายตัวเล่จะไหล า, า, า, า, า, างดินไปหมดเลย สามยานยันดาบยานเะแหลกไม่ใช่ก็ต่ตรงนี้ให้ได้ท่นานมีสตินะถอดนีตสติท่านมาชันยะจะอดทนไปสมบัตต่อสู้เลเป็นหน้าต่อสู้แน่นอนความรู้ไปสมบัติข้างหน้าจ่าคแามฉาดไปสมัติขานประกอบเกความมีระเบียบที่ฉันนี้เป็นสมบัติของผู้ดีคู่ดีก็มีระเบียบมีระบบคนที่มีระเบียบระบบนั่นคือเกิดปัญญารอบดูในกองการชันขานจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวต้น จะได้เห็นตัวตาจะได้สายชีคือจะได้ยันดูชอบจะได้ประกอบคุณศร์ถึจะได้ผลนานาป็นหลักฐานสาคัญอปัชชังขึ้นมาดูตะทูขึ้นมาช่างนี่ชัดเจนมากถ้าเราไม่มีตัวปัญญาจะไม่มีความอดทนจะไม่ต่อสู้อะไรทำงานไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นใบสาดแต่ใบสาดล้าคชาแต่ล้งคชาถ่ายของเมือนกันทำไมเราสู้เขาไม่ได้ไปดูคขาสิทำไมเราสู้เขาไม่ได้ข้อไหน ไปดูใจประมวนผลดูเดี๋ยวเรารูเา้เาลายเห็นไหมอ๋อเราสู้เขามาหาดางที่มัอดทนไม่โรงงานนี่เาขาอดนเล็กๆทำานยังคีเนเลยตละรายการเขาสามสารถคืนความเพียรมาดูนี่คือตัปัญญาตัวปัญญาบริวารนาน้ำใจดีบริวารห น, นีน้ำใจแห้งบริวารแห้ง น, น้ำใจแห้งบริวาร มาแค่นั้นใจดีบริลาราหนีแค่นังนใจไร้บริาาาลา่าการแก้แก้เราไมายุติมมันยากเกิ น, นเนถ้าเราดีมีปัญญาถ้าเราเป็นเจ้าของบริัหรือเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการนี้ต้องมีครบวงสอมีทั้งเมตตาปราณีอรีเอเพี่อขาดเี้ยไขดูก่นโครงการท่านจะไปสนเร็จนี่คือเกวปัญญาได้แก่ำมาถามแก้ไขปัญหาชีวิต มาช่มานั่งเกินที้หจามแล้วกลับไปแล้วเลิกเลยไม่อยอะไรเลยนะเห็นเรือปัญญาหนิเดี๋ยวเห็นเหรอเห็นด้วยปัญญาปัญญาจะบ่งบอกให้เราทราบว่าคนนี้ครบมดคนนั้นครบไม่ได้ปรรัญญาลึกซึ้งเหน็หนหมอหัวไม่มีือต้องตายคืนนี้ไม่เส็จละอลองต่อให้ิึแห่แม่ตาเลยเหน็นหรอคือหัวโผลมา รับรองไม่ต่อแค่ทางเหลียงต่อแค่เป็นอมัคะแค่นี้ยทําได้นะมอ่านออบอกได้ใช่ไหมอ่านก็ไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไหมไลอ่านตัวไม่ออกบอกไม่ได้แล้วก็ต้องอ่านคนอื่นออกนะดูก็ไม่รเนี่ยรู้ว่าจะผู้หญิงหรือชายแต่ดูให้มันเล็กเข้าไปหน่อยเด้มยวนะเป็นชายหรือแท่เป็นคนแก่หรือเป็นคม่หม่ แม่ไมแบบไหนหัวตาหรือสัวหลังหรือหัวทิ้เห็นเหตสะสะให้ได้อย่างไรไม่ใช่เห็นเนีหรือลางสวยเช่นจางเทอหรือล่างเธไม่เป็นท่าแต่นั่นใจางามหาว่าเขาไม่คุณไมด่ดีไม่อยอ่มองกันในแง่ดูแลกั น, น, นอย่างมองไั่งแง่ละเห็นด้วยปัญญาหนี่งด้ยไหการเจริญกรรมฐานต้องการใช้ปัญญา ยอมมือล้อนลนทนไม่ไหมาาะมีลลาะโทสะโมหะเผาอยู่ในดวงใจนม้ไม่หลับขึ้นไม่ได้นอไม่หลับค่อคือมีความสุขสามีือใจชูสามีามืไม่เอาไหนสามีเรื่องกาานันเรื่องเล็กเลเรื่องเล็กยอมมีปัญญาใช่ไหมจิตเนี่มสมุิไม่อกางไปสนใจกับสามีที่ใจชู ถ้าทำตามตาัตมาที่พระเจ้าสอนใช้ปัญญากเกิดมนตภาว น, น า, นาแผ่เมตตาให้สามีทุกอย่าอย่าสนใจไปตามสามีที่กินล่ากับบา้าอย่าสนใจสามีที่จใจชั่วเอาสามีกับบา้าแผ่เมตตาเนี่ยสะเพยสะตาเมื่อตาคุณนาหังไม่ตาเมตตาจะสะพโลกะถึงมาในสัมพันนะว่เยอะอิมานานภะาวนาค่ะตาไม่ตาสามีกับล้างใจดีเลย แลกใจชู่เแลกเรื่องการพนันเลกเดินหลากนี่ใช่ปัญญาไม่ใช่ว่าไปใช้ชั่วไปชั่วใช่ได้หรดอไปเ้าดูไปกล้าจาาับล้าไปดีถึงกจะผิษสัตไม่ใช่อหัวชั่วไปชิ้ลามาย า, แ ล, าลลลแล้วก็ด่าแหละแหลกไปแลยไม่ได้หรอกนะถ้ายงมมตัวปัญญาแม่กรรมฐานถึงตัวปัญญาเมื่อหละรอบรูกองการขั้นถานมา่อไหร จะเดินเห็นคาบในคาบัวจะมีความสุขกระทั่งสามีก็ชูโยนก็ไม่จะไปขนกายว่าสามีก็ชูใหาจะไปชชบภาษาแช่แต่ไม่มาที่ไหนก็ไม่สนสนกายอยู่ลูกเหรอปิดมลแผลในตาให้ลูกรับรองลูกเดี๋ยวก็นํำมาหวนเป็นคาบหนาเดี๋ยวก็ได้เจ้าแพทย์ดีวสามีก็จะกลับมาเองอย่าไปแผลเมตาอาคารชั่วไปให้สามีได้ไหมโยนขาดปัญญากรรมฐานจะเอาคารทั่วไปให้สามี บาเล่อหึงเล่ห่วงเยอะอาตมาอย่าเอาความรายไอแก่ม่ได้แต่อาความดีแก่ขาด ล, ล้ายก็ดีเขาร้ายมาอย่ า, าย้ายกอบเขาไม่ดีมาจะอาคามดีไปแก้ไขคนตะล่มีให้ของที่ก่อนตายคนพูดเลวไหลเอาคามจริงใจไปสนทนาได้นะควรมากไม่เคยชนน่ะแต่เขาประธ า, า, านทบดยอมผู้หญิงเื่อต่ำโดยขาเถื่ผมไม่เดือกลาง หาตัวปัญญานี่จะพูดก็พูดเลยไม่จะด่าก็ด่าคือพูดเนะี่ยมันจะเยอมที่นี่นะเยียบที่ถึงบริเวณเยียบที่นี่เห็นก็ไม่ด่าท่าไม่ว่าแล้วไม่ไมไไมหึงใครแน่แ น, น่รกลรองได้เห็นหานาถ้าเกจนไม่หึงไม่หวงแน่สามมือไม่ดีแม่บ้านสําคัญอ่นะถ้าเยอมนะมาาั่งกรรมฐานได้ตัวปัญญาปัญญาแปลว่าความเมต ปัญญาแก้ป uh, ัญหาชีว like ิตคือกรรมฐานบ้าปัญญาไหมอันนี้จางเอุกขู่ขางตาจะเห็นภขึ้นี่ะเป็นปัจจัยต่างวิวัฒนาพอเป็นอยู่สิจะรู้นิสัยของสามีว่าไปเนี่ยไม่ดีใจคูอันนี้ไปให้ผู้หญิงอันนี้ไปให้คนงาให้บ้านเรื่องเล็กแหแม่ตาเลยแห่แม่ตาเขามีความสุดกันนะเขาจะเงินไปให้กระช่างเาท่าหย้ยเงินเราก็เยอะย ทำได้มั้งที่พูดอยู่ทำได้ไหมทำได้นะคะได้ทำเถอะอย่าไปว่าสามีสามีเขาจะไปชอบใครก็ตามอย่าไปสนใจถามได้มั้ยโง่ใช่ไหมย่งงันคนมีปัญญานี่จะเง่ตนคนที่ได้ปัญญาเง่ไม่นนะตนล่ะปากก็คำอยากจะพูดปากคำไปไหนก็พูดมาเอาปากไปด้วย คนที่ไร้ปัญญาไปไหนตาไปคนที่มีปัญญาเนี่ยเขามาตาไปเนียตาหูไะตาหูไปก็พอเลยเอาตาไปด้วยเลยคนน่ะกรรมฐานเข้าตาไปเดี๋ยวนี่ไปถึงตาคู่เลยเสียกในวิธีเสียก็เคลื่อน fm เสียก็เสบไปเสียก็แสบไป อย่าพูดไปดีอะคนผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะฟังให้มากเสียงหน่อตะทิษเขาจะพูดแต่หน่อพูดแต่มีเหตุผมคนที่พูดมากาาปากเขาด้วยเนี่ยยล้วฟังน้อยจะรู้อะไรไม่จริงรู้หน่ที่ลุนตีเนี่ยรู้หน่อรู้หน่อรู้จริงเขียนออกมาหนอได้ไหมถ้าเราไปเห็นกระหูกระรูตาถึงจะรู้จริง บางคนเนี่ยรู้ไอ้ที่จึงไม่ชอบชอบที่ไม่จึงไอ้ที่ได้ไม่เอาเสียไปไอ้ที่ไม่ได้ถูกต้องไหมไอ้ที่ควรจะได้ไม่อาผ่าไปเอาที่ไม่ได้หมาช้างกรรมนากรรมฐานพระเจดวัต้องได้โอ้ชะปัญญาที่พอโอ้โหมันอยู่ตรไหนไอ้ตงนี้ก่อนได้ไหมไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ไอาโน่เลยโอ้โหได้ไม่อาไปเอาที่ไม่ได้ คือจริงไม่แฉะไปแฉะที่ไม่จริงไม่แฉะทำบุญจายยงยคนประเภทนั้นนะต่นนี้ทำหมายชิงโยนนะโอ้ทำบุญโอ้สากกระเป๋าขาดเลยสักอะสักจจไม่ดูแลยชมจะจู้จ้ไม่ดีแลคนไรปัญญาคนที่มีปัญญาเขาจะสร้างบุญและจิตสร้างความสนิทไว้ที่ชีวิตควาเป็นอยู่ของโครงก า, งางของหลงัคือคามจุดไม่แ เขาจะไม่มีทะเละกคนที่ไร้ปัญญาจะชอบทะเละกันหาเรื่องอาทะเละโยมท้าในปัญญาจะกลับมาถามจะพูดเพาะพูดมูเข้ใจง่ายพูดไย่ใส่ใจยากโยมขาดปัญญาจะพูดแต่เรื่องอะไดีเอาแต่อารมณ์มาพูดกันใช่ไหมชอบใข้าอารมณ์สามีสามีแบบนี้จะไปชอบบางใครมาเห่ะจะไปไหนจะไปเลืกเดย สามภรยาที่มีปัญญาเขาไม่ถามนะเด็กเดินก็ไม่ถามก็ถา ม, ามคำหนึ่งก็ถามเรื่ๆคุณพี่ขากลาบจะเด็กเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมวันนี้แล้วไปได้โกได้มาเท่าไหร่ขอดูกระเป๋าตังค์คกณพมีตังค์เราก็ยุไปเลย น, นี่คือคนฉลาดคนง้อนี่ไอ้หนานจะเด็กอิเครื่องสักหลับไปนานแกไปเสียกอยู่ที่ไหนนะ นี่คนไม่มีปัญญาพดทะเละต้ต้นบอกว่าพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากเช่นะพูดโดยๆเนจะเละกันไหมแม่คุณแ ม, ณเมเ่เทนหัวแม่เน้ทิดแม่แพงพูดร้ายจะต้องเข้าใจยากพูโดโดยๆจะเข้าใจนะอมมุตเอาสามีประชาชนประชาชนะ นันกระดีนะ๋ยวเนี่ยจะได้มีพวกท้องมาถ้ารตั้งดริษัทจะมีออเดอร์เยอาถามยอมพิชายอมพิชาจะไปจัต่องานถ้าไปจักต่อข้าวผู้หญิงจะด ต, ต, ต่อพวกพิชาทีา่มันไม่เคยอ่ะาเ า, า, เ า, าะไปจัดต่อผัวเนี่ยไม่เคาไม่เคยนี่น่ะเราไปค้าหามหีอคไทำยาอะไัยอมไม่ว่าเพราะ่อุอดหนุนไงี่ะครับผมขายถูกไม่แพงอยงย้ เนี่ยเดียวก็ยก็ตกรองเดียวเลยเอาที่เเขาเหอะเี่ยเทยังไหมาเดยวเอาเอหน่อยเห็นไหมน่าจะไปอะไรกันไปยอมฝึกอยู่เนี่ยจลับได้ก็ม่ับถ้าเราทาปัญญาได้ยอมบ้านจะมีความสุขเป็นหามนคนชีวิต ถ้าไม่มีปัญญาในตัวบ้านเป็นมเค้ไม่ได้ทะเลาะกันตลอดหาเรื่องกันตลอคนที่มีปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้คือาารกรรมฐานรอแล้วอย่าปล่อยความโกรธนะเดี๋ยวทะเลา ะ, ล ะ, ะอ่ะพยมเนี่ยโกรดทั้งวัน ท, ท, ทั้งคืน อ, อารมณ์ข้างต่าขาขายของไม่ดีด้านหน้าตาจะเปลี่ยนนะจะมีนังกากขึ้นมา ท, ทันทีด้นนังกากนี่จะแปกนะ น้าเครียดน า, ยางกากพยัญชนะแบบนี้มันมียิ้มมันเครียดเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญานางกมาถามก็จะใช้ปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็น ส, ง ส, า, สงางารศาสตร์อาดูดยาลิพูนได้ไหมเหลือคนอื่นยัดคุดจะจะแฉบทำเนี่ยธมาพูดมันญาไม่มีใครไปใช้เลย อ, อาธนาก็จะจับมังม่งทำในตาถูกลังจะเสียตลอดชีวิตยอมทําใจไหมคะ สมมตินะว่าสามีใจชู่วเนีตายแล้วเขาจะไปแช่พนังรัชนาเราก็ทกากรรมฐานเนี่ยแผ่แม่ตาสามีดยขันสมมติว่าเทิดเทิพักดีไปแช่พน้รารัชนาขอให้พ่อพักดีและแม่รัชนาอยู่ยนตั้งสึกตลอดกาลแผ่แม่ตาสัตว์เทสักตาเลยทาได้ไหมได้นะถามจริง ได้แล้วอยากจะเรียนถามวนะ่าแทนความจุขไปใครเป็นคนได้ก่อนนะแน่อย่าขายได้เฉยเราต้องได้กำไรก่อนของสามีอือฉันฉันฝากพักดีขนานดะอยู่ด้วยกันให้มันเจ๊งไปเลยอย่าให้มันรักกันเลยแย่งความรักเส้นสาอยากจะถามว่าใครเจ๊งก่อนนะ ใครเชงนั่งแผ่เขาอยู่ในประสุท้า์ได้บุญด้วยไยได้ไหมทมจริงอ่ะได้ทําตามทําตามไหมงี้ที่พูดเนี <Eso. S 1> <View> er. ่ยถ้าย้มทำกรามฐานได้จะปรงตกว่องตอกเลยไม่สนใชสามีกินเหล้าสามีก็ชูเล่นการ อย่าไปว่าไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาหน่อยดียวนะเอาปัญญาใชา้คนใช้ปัญญาเขาไม่พูดเขาไม่ว่าเขาไม่พูดแถลแหน้มใจแต่จะการดายแผ่เมตตาอย่างเดียวนางกรรมฐานจะแผ่เมตตาถาม ม, าามีจะกลับร้ายกายดีกันแล้ว่ากลับมาหาลัยลูกตาดีหมดทุกคนเลยลูกเต้าติดยาเสพติดว่านอนถอนยาโคดื้ ขอให้คุณแม่แผนเมตตาทุกอย่างแล้วน้าไม่ท่านแล้วก็ไม่ใช่ดีจะพาลูกชายคนเล็กสอนลูกชยายคนตอดีไปด้วยยอมไม่จาบลูกชายคนตอไหมเนะจับลูายคนโตไหมนั่นสอ น, นดีไปด้วยเลยนะลูกชายคนโตเป็นไ ง, ง, ไไงล่ะฮะดีที่สุดร้ายยังไง ล้วลักนักลาฮะยังงั้นเขาจะทูไหมดีแล้วชจ้าูดีที่สุดฟังเถอสาวใช้อะไ่แม่ไม่ชอบลูกชายคนโตเ่ารักษากันในวัดมันเป็นเกียดตภรรยาใช่เกียดแม่ไมบากข้าหน้าไหมไม่เงียบซะน ขมทายขวัดผมห น, น้านขาวัดนั่งกรรมฐานไปเยอะต่อผูกกรรมฐานทำให้เกิดปัญญาไ ม, ไ, ไม่มีการต่อสู้อะไรเลยท่านแพ้เสมอแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจะไปว่าเขาายมอมไหมเขาชอบอย่างนั้นเนะดี๋ยวเห็นผลเลย ได้คาถาพระพุทธศาสนาจะอย่าไปคาถามานิยมมีคนรักงทั่วเป็นไหมเหรอความรักแตกเลยเลอเนื้อได้ผลเยอะเอาไปใช้หน่อยไปไหนมีอเมตตาเราอย่าไปเกลียดกันพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เกลียดกัน สอนให้ากการักกันยอมเชื่อันมาสามีเขาจะไปรักใครจะรักสามีาาเราเราเนื้ว่าแผลเกลียดที่สุดแล้วมีเกลียดที่สุดแสดง ว, ว่าสามีเราเป็นคนดีแต่สามีในคนดีมีคนรักอย่าถูกไหมที่พูดเนี่ยนะนะรักอะไรฮะเงินอาาะไรสบายเสียงลาภ ไม่ใช่เขารักน้าใจอย่าไปคูดพลิกฮะไม่ใช่แก่เขามีน้าใจผู้หญิงเนี่ยเขาให้น้าใจรักมีน้าใจนะเราก็มีสบายอไรไปราบถ้าจะบอกว่าะเลให้เป็นร้านดูเลยฮะ ภาพล้าเทย์ไม่นี้หมดแล้ว ย, ง ย, งยิงหายิงได้ยิงห้องอดหมดเปมาแล้วไม่หวงแล้วไม่อดหมดมาเรื่อยๆถูกไหมมีลูกอี่คนนะยมะใครห า, <พ>าทั้ง <พา S 1> คนอักยุชางโตมีคนชอบเยอะเหรอมีคนชอบเยอะใช่ไหมได้ ถึงนไหเนี่ยลูขยนะ้ข่าวไหอ้ว่าเขาปัญญาตาตาบอดเลยตาตาบอดทั้งคู่เดี๋ยวไม่ยอย่าหยดแล้วเราก็ปัด ต, ตาโนโมธนามาอีกแล้วเหมือนมาอยนะู่ในยกมือสาธุกันตาเหมือนอย่างคนดีๆแต่ไม่หดโอ้โห ไม่ได้ขอมีน้าไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอบทนี้ไปใช่ชักปืนออกจาก ป, ปากแล้วเพ่มาเห็นเสือรับแล้วก็เสียบเข้าไว้อย่ายิงนะอย่าขอมีโยมเนี่ยเป็นคนดีนันเป็นคนมีอัจฉริยาสายเชื่อเชื่อ โอบอ้อมอาลูวัตีไพลลักงข้อทุกคนสามีแ้วเขาวางตนเป็นกลางเขามาเข้าทางไทยลอยมาคุณเนี่ยวันนี้มาเปล่าพวกนี้มารับเหรียญมีแต่ต่างประเทศคนต่างประเทศเหละพระน้อยประดามให้เราเราโอืกอดปะ เขาก็นักยอมดีนะนะนะให่เหรอถึงองกรารจะรวมกันอาตุปิเพรีต้อนรับแถลก็อยู่ด้วยการจมีความถูกความเจริญเนาะทำกรรมฐานดีสุดไมาจะไปสนใจเพื่อเอยรือแผลไม่แผลอึ้งามอ่ะอยากเขาจะไปยังไงก็ช่างอ่ะแผลเมตตาไปแล้วก็มีเหตุมีผลมีข้อะจิงนะ เดินจงกรมนั่งกรรมฐานอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเข้ามาเราจะอยู่ในโลกทลายหาได้รู้ใหม่เพื่อสมาธิเราก็ดมารวมการเกิดของเราก็วันตายของแม่เลี้ยงแม่ให้อิ่มแม่ตายไปแล้วกับบางสกุลพออายุวันเกิดถ้าวันเกิดแล้วหน้ากรรมฐานตรวจพาหุ่มกาแล้วแผ่ไม่ตายในวันนั้นให้ได้อายุ เราจะหมดแล้วกลับต่อได้เนี่ยามาตอมาได้ยืนสองปีเนี่ยแต่วันที่สิบสี่ตุลาสิบสี่พันสองพันห้าสิบเอ็ดยื2สิบสองปีแหละตายมาแล้วไม่ด้ยืนอีกแล้วมน่ให้มาะยามารยัอยู่ได้ระพฤธรรมเราไม่จะไปคิดอะไรจะเป็นสามีหรือเป็นอะไรญาติือพี่น้องก็ตามผการทาทั้งหลายไม่ดีมาเอาดีไปแก้ย่าอย่าไปสนใจคนอื่นับยยมเชื่อธรรมารักอะไรเท่ากับรักตัว ทุกเจ้าสอนอะไรเนี่ยกรรมฐ า, านเนี่ยทุกวัฏสงการเนี่ยสามสถานทุกเจ้าสอนอะไรไม่ก็ไปตอบให้มันอย่างต้องเ ข, ข้าใช้ทั้งหลายจะมาสอบเพื<ก>่หลังแต่ละโอเคเห็นด้วยทุกเจ้าสอนให้เราช่วยตัวเองให้ได้สอนให้เราพึ่งตัวเองให้ได้สอนให้เราสอนตัวเองไม่มีใครช่วยเราแน่แน่นอนใน้ลก พอแม่บ้านเราเข้าทะเลแก่ชลาแล้วก็จะตายจากโรคภัไม่มีใครเหลืออยู่จะอยู่เราเราจะอยู่แค่ไหนความาเชื่อไปไหนสามีภรรยาเนี่ยเรามาพบกันต้องพลาชา่าจากของพระศิลักผู้ชอบกา้ดยกันทำงานไม่มีโอกาสจะอยู่ในการตอบได้คิดอย่างนี้ดีแน่นอนไม่ควรสนใจเลี้ยงลูกอาบุญแพ้อย่าคุณตอบแทน อบุนคือหมายความาเลี้ยงลูกให้โตไปจนพอเยี่ยงโลกเลี้ยงลูกให้โตไว้ด้วยวิชาการอย่าให้ลูกตตมาต้นตานอย่าให้ลูกโตด้วยขยศุขหาความสมือสังคมยุคใหม่สมัยนี้น้าที่ได้เลี้ยงลูกให้มีวิชาความรู้ด้วยแล้วก็เขาจะมีกิจการงานที่ดีจะมีคู่ครองในครองแผ่นดินการมีมือสำผัสก็พอแล้ว เดี๋ยวเราต้องตายจากโลกไฟด้วยกันทุกคนเราต้องช่วยเต็นลูกมันมีทางมาช่วยด่บางคนเช่นายเลี้ยงลูกโตมันต้นงตายไม่มีเงินจ้างช้าคาโต้ด้วยขดสุขหาความสมเหตยสังคมไม่มีโอกาสที่จะดีได้ขึ้นตั้งแต่นานมาแล้วน้าเลี้ยงลูกอ่ะให้โตด้วยวิชาการส่งลูกเรียนให้ถึงที่สุดเข้าสี่จะถึงได้แม่ลูกเข้ามีงานทําำนองคุณด้วยเหตุดังกล่าวมา ถ้าเขาไม่มีโอกาสจะช่วยอะไรได้ถ้าเป็นลูกผู้ชายให้ได้ภรรยาก็เขาต้องไปเลี้ยงขอบคุกเขามีลูกสาวให้ได้ครอบครัวเขาต้องเลี้ยงขอบคุให้คนนักตางถ้าเข้าะลแฉลาก็ช่วยเทินตายจนกว่าจะหมดลมหายใจตายอย่าไปคิดอะไรมันมากเกินทุกข์เกนม่ปนประโยชน์เิผลเดียบการใดเพื่อํามมาตามานี่ตายไปแล้วเนี่ยหมดอายุแล้วอย่างเดยวท่านสาธุชนทั้งหลายตามาขอที่ฐานตอนท้วข์อหา หายใจจางส ด, ดือได้ปฏิฐานกับเท้าวเวททุวันเจ้ากรรมในเวนเหนือเจ้าเวเนในกรรมขปจาใช่มีมนุษย์หมดหรือยังใช้หมดก็ขพาขปจ้าจะไปลรู้หุนทางคนที่รู้จกักทางกั บ, บกคนที่ไม่จับทางลีกคักน้องทางกันเยอะเลยลคนหลงทางาเรานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อต้องการจะรู้หุนทางรู้จักกฎจราจรขึ้นมาตวดมนต์ภาวนาป้องกันการต้นเหุ่นต่ายเรือเป็นเรื่องเล็กัน จะได้ไม่หลงทางอม่งั้นจะเสียใจตลอดกาลในลานนาทนายจริญพูดที่มีประโยชน์กันตมายมฟังอยูคอจุตมาอยู่ยงตายแล้วรถชนคอหักแล้แขนก็หักขาหักอีกหลายข้างหลายขาวปอกเขียวที่มาสอบว่าก็ผ่าแล้วทุ้งยัง รับจางตมเตาไฟลวกมนร้อนเหลวกหมดอไรดึกทังเหลวกทุกอย่างรับกลับร้อนกระเพาไม่ม่อยจะตัดกรรมอย่างบางวัดไม่เมื่อยไหนก็หนึ่จะตัดกรรมให้หมดไปมีที่ไหนเราคยิมสตางค์เข้ามาแล้วเราไม่ใช้มี่เขาจะไปตัดกรรมได้จะไม่รับใครคนานตองไปใช้นชาติน่ะพอเป็นดอกเบี้ยไปอย่างขยืม้อยเนี่ยต้อไปใช้ในชาติหน้าเป็นเป็นร้านลื่นใจจึงไม่เมือแต่ทุกคนไม่ทราบเหตุการณ์ที่เก่ามาเพื่องการมาเนี่ยที่โรงเรียน คนก็เกิรอตายแล้วลมเิกชาบะเกิดชื่อเกาะจันเงินทองมาให้เราหมดข้าโมนี่มาให้เป็นแสงแสงคือคนรอตายไปได้สามอย่างบุญบาปทั่วกับดีกับวิชาคํานี้ให้ลูกเรียนหนังสือไว้หาวิชาความุให้ลูกเรื่องสามมีดีไม่ดีไม่ต้องไปวิจัยเลยเพราะฉะนั้นวิจัยตัวเองอ่านตัวให้อบบอให้ได้ใช้็จยอมเชื่อกัน ทุกคนอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่คนอื่นทําให้ทุกวันดีที่หาเนียโยมผู้หญิงเมืชายคิดอยู่นี่ทุกคนดบี้ยทั่วคนอื่นทําให้หรือปล่าคนอื่นไม่ต้องถามเราทําตัวเองนั้นเนี่ยอย่าไปโทษใครเลยโทษพ่อคนแม่ก็ไม่ได้พ่อพี่น้องก็ไม่ได้พ่อตัวเองแล้วทําตัวเองแล้วเราก็เป็นตัวเองเรียกกฎแห่งกรรมอยากไรจะทำของเราเองไม่ใช่คนอื่นทําให้เชื่อกัน แต่มาอยากจะย้อนยุบแต่เป็นเด็กใหม่มันก็เป็นไม่ได้หรอกนะนับ ว, วันจะหมดเวลาไปในทีวว่สุววดมเ่นกันม<ด>ันตลกมไม่ใช่หรอสาวจริงไหมไม่จริงหลอกลวงทั่วขาวนมจริงไมไม่จริงหลอกลวงทั่วขาวดีก็แค่เดี๋ยวเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายจะมาเป็นสาวได้ไหมถึงจะแต่งตัวยางไก็ตามนะจะปิดยังไงก็ปิดไม่เม็ด ผมขาวแล้วย้อมใหม่แล้วดึงหน้าดึงตาปิดไปปดมาน้าเปลียนเลยปิดน้าเลี่ยนตาอ่าไปปิดมันเลยเอาหลักฐานนะยไปปิดมันเห็นหรอรู้แล้วห่ายปีแล้วเดี๋ยวนี้ปิดหรือหลายปีมาแล้วเนี่ยมาตรงนี้ายุทำไมมากมาเตะใส่ก็จะไปชียงใหม อตาตมาลูกตอนหับเรียงน้ำเงมงถาดยอมผู้หญิงมือกระเป๋าลูกนั่งหน้าเลยนั่งหน้าแล้วปิดไม่มิดเขียนคื่อไม่เท่าใครลงพื้นไม่ว่าไม่เท่าใครตรงนี้โกงตรงนี้ถึงสมีงแล้วก็อ ย, ยอมทําไมเขียนไม่ขามขามยมบังบุญช่วยเราได้ไงบาป <บา S 2> ช่วยล้ว โอ้โหเลมนี่หลวพ่อรถมันมาเปิดแตรตีหนึ่งฉันรีบอาบน้ำรีบวาดแผนที่ลงรื้นวาดแผนที่ใช้เวลาเลยมันก็คงไม่เท่ากันไม่เป็นไรทำใหม่ได้แต่ถ้าทำต่อหน้าต่อมาในกระเป๋าเนี่ยโอ้มเลยนอก่ากจตามจะทำบุญย้ายเครื่องชั้นอาบ ไปคุยกันทุกวันฉันไหนไม่ต้อไปอายไปเชียงไงก็ไม่หนีได้โยมก็จะไปเชียงใหม่เต็มกระเป๋าเลยเรื่อเทนี้ทั้งนี้นเนยอะ <laughs> เ, เลย <laughs> บอกท่านรู้ไหมราคาเท่าไหร่ตั้ง 5,000 บาทแพง ยังเลืมไอ่ยิ้มซอไว้อันอาตมาเก็บไว้เยะเนี่ยอย่ า, ยาเป็นที่ระลึกมีประโยชน์ตอนโดทยทูพเพียนเนี่ยถ้าไม่มีไอ้น้ํามันใช้พนีทานะ้ำเนี่ยม่ทาเป็นไงนะทาไอ้ทูปเนี่ยโจทยเบิกเลยทำด้วยน้ำจัดถ้าใครมีเหลือเอามาขอมากระยมนี่ก็อายุไม่มากนะยมนะที่มาเนี่ยก็ให้ป็นกลางุ้นดูสมัยมีป่ามีครอบครัวหมดแล้วอายุนี้เจ็ดสิ เจ็ี่สิบหกเดี๋สิบหกอ้องพ่ออย่าว่าฉันนะฉันยุ่งมากแหละไม่แต่งไม่มันไม่ทันชม่ัยเดินตามก็ไอ้พวกาสาวเขาไม่ได้เขาหาว่าฉันแก่มากเลยนะเลยก็ต้องแต่งเพราะแต่งเนี่ยอ้หนูหนูหนูก็พอไปกับเขาได้ใช่ไหมเนะ่ยแต่งไปแจ่งมาก็ปิดไม่มนิดตามด้วย น, น้ำให่เนาะใช่ปิดมิดเหรอไม่มิดเลยไปแต่งมาเรื่อย น า, นกน า, างกรรมฐานสวยนอกสวยในยสวยจิตสวยใจแต่ช่างเคยมาดูแต่ชูหม่จับงามเนกงามหน้างามพักกลาดพอแล้วไม่ต้องลงพื้นมาแทนที่แล้วมีเครื่องลงพื้นมาไหมมีนะ ไ, ไม่ไม่ใช่เหรอว่าแทนที่ก็ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เวลาออกแล้วใช่ไหม มืต้องมีมีท่านจะไหมไม่ใช่ทาปากเนี่ยม่ดีอย่างนะปากไม่ห้างเนี่ยเราอยากจะทามันก็เนี้ยปากปากมันซิ่งเนี่ยื้หลังมีมันขมเงี้ยเอาท้ายปากมันสกึ้งมีไหมนะมีไมนมีไหมนะ นี่เป็นท้ามึงนะบูชาปฏิบัติบูช า, ป, าปัญญาเนี่ยสำคัญตอนนี้ก็โยมเราจะได้รู้เหตุการณ์ทุกทีจะได้รู้ว่าลูกคนไหนจะเรียนอะไรั็ตีจะบอกหนะ้าขอให้ทำไม่ได้แต่ไม่อย่ามาทําแล้วเลิกไปเลยกลับไปบ้านก็ทำนะเมื่อคนกลับไปบ้านเลิกโยมกลับไปบ้านก็ทําเป็นประจํานะ เดินตรงกรมสักสามสิบนาทีนั่งสามสิบหรือหนึ 30, ่นงชั่วโมงที่มีอวลารูปรักษณ์ของบ้าน<อ> ม, <า>มันแค่ไปเดินวนไปวนมาก็ได้นั่นนหะทําให้มันเป็นเสมอต้งเสมอปลายได้ยืนเะนี่ยทําอะไรอ่ะถ้าไม่ทําให้เสมอต้งเนี่ยมันเอาดีไม่ได้ตคติสมบัติช่างความดีต้องถูกประการปฏิทิศสมบัติช่างความดีต้องถูกปจบุคคนการสมบัติช่างความดีต้องถูกประการเวลา ประโยชคาสมบัติสร <What S 1> well, ้างความดีต้องเสมอต้นเมอปลายรู้จักคุณของขั้เสมอต้นไมได้ดีแน่ได้ดีแน่นอนไม่ต้องพิสัยใครจะดีเท่าเราจะเป็นสามีได้ไงใครจะมาช่างเขาไปไหมันคนราคนกันเราไม่ได้ออกหาพ้อมกันสามีทยาออกมาพร้อมกันไหมหน้ภาษาอะไรไม้พายต่างจ้องพี่น้องต่างใจท้องเดียวยังไม่เหมือนกันมีสัย คู่แปดออกมาพร้อมกันแค่ห่างห้านาทียังเหมือนกันไม่ได้มาที่วต์เป็นสาวาู้หญิงผ้ากคนนระถางพันธม่ตรทุกคนในร้อะคนน้องเรียบร้อยนิสัยไม่เหมือนกันคือแบบอใหญ่คนเราเนี่ยเรียนทันกันได้หมดแต่นิสัยเหมือนกันนะแต่เป็นราชการชั้นไหนก็ตามแต่ล้วก็อยู่กันเนี่ยหลายๆราชการหรือชอบกิจการก็รู้นิสัย ม่สัยดีจะโอบ อ, อ้อมอารีมาชื่อเลร่สงฆ์ทุกคนวานตนป็นกางมีจะ่แม่ตามเรงมีฐานฐานบางคนไม่มีเล ย, เลยไม่มีจยาช้เลยนิสัยไม่ดีกระทาั่งดินรอกเตือนนเลยแต่ดีดยโอบ อ, อ้อมารีใครไม่เชื่ อ, เ, อเพื่อกับใครไม่ได้ช่วยเหลือให้เลยเห็ น, ตต น, นแต่<า>ตัวตลอดเลยานี่มันอยู่ที่นิสัยถ้าราชการจำถานทำให้นิสัยดี ทำให้ผููสมบุญญาศรีเพิ่มเมตตาปราณีขิจะไม่หวงใครเลย<า>หนึ่งจะมีกานอ<ม>ุ ต, ตเวเชต่อผู้มีบุญคุณนะสองจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยออนน้อถมถ่อตนสามจะกลายเป็นผู้เสียสนะได้อย่างดี้ 4. ่ทำให้เกิดชื่อสัตย์ที่จะเป็นคนื่อสัตย์แต่น้ต่อครอบครัวต่อตัวเองชัดเจนมาก บางคนไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ตน้าก็ดูมามากแล้วก็รู้เนี่ยแต่น้าเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วตายไปแล้วเราก็บอกพระเทวชุวันบอกว่าเจา้ากรรมในเวรขอให้ข้าพเจ้าใช้นี่มนุษย์ทั้งหมดพรดาวสยามรวมนั่งขมาขอให้ท่นนานทั้งหลาย น, น, นข้าพเจ้าขอลาไปแต่ใช้นี่มันุษหมดขอให้กลับคืนนคืนมาเถอะมาใชาน้นี่มนุษย์ทั้งหมดชาติหน้าเราจะไม่ขอมาเกิด ตังอธิษฐานจะไม่ขอมาเกิดโลกนี้มีการโลกตรงที่เกลียดที่โกที่ฉาลิศยาที่น้องยังฉากันนักภาษาอะไรกับครอบครัวล่ะที่น้องยังแย่งสมบัติกันเห็นไหมแตมาถึงเขียนขึ้นมาความดีเป็นศัตรูชีวิตสองความดีมีอุปสรสามความดีชาบอุ่งมั่นทุกว่าจะทู่กล้าทวายความทั่วชอบมุ่งมั่นความสบาย กินสบายนอสบายกำลังทั่วโดนไม่รู้ตัวมาเอางานอาการเนี่ยคนทั่วทั้งนนเลี้ยงสองความดีกับตัวเพือเงินทองไปอสศรพิชัยตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่ของเราอย่ามาเป็งูเห่ากับทังบ้านเลยฆ่ากันแหลกแตกลานพ่อไม่ใช่สมบัติวันจะไปได้ไหมแลวกัป็นเงินค่า้จ่ายไปได้ในสมบัติ พอประทานโทษคือโยมคลอดอยกจะพาพาของแม่มามีอะไรไหมได้คิดว่าจะมาเข้ามูลนิธมีอะไรไหมฮะมีสร้อยไหมมีเพชรไหมมีอะไรฮะได้มาสองคนกับสามีไหมไม่ลาเลยมาชุดวันเกิดโลกมาเลยใช่ไหมใช่ไหมแลวเรามาหาสัน แต่วิสัยทัศนติดมาจะใช้ก่อนความดีเิดวิญญาณาล้วเคยช่ำความดีมนนันจะมาชา่ำ น, นี้ก็รวยไหวทําให้เกิดขยันมันเพียนทําให้ต้องการอยากจะเรียนหาวิชาความนี้เกิดโดยอัตโนมัติแต่โยมมานั่งกรรมฐาน ถ, ถ้าได้ทุปัญญาจะได้รู้ว่าลูกคนนี้จะเรียนหมอลูกคนนี้จะเป็นวิศวกรจะรู้เหตุการณ์ได้ชันทีเท่า น, นี้เองทําไม่ได้อย่าไป ละเมินผลให้มันมากไปว่าหน้ า, นานกสรมฐานให้ปัญญาที่โผลเป็นโฉดาเป็นอหรหันต์ไปโฉนิภาเขาแค่นี้ก่อนให้มันได้ก่อนทจริงไม่ชอบไป ช, ชอบที่ไม่จริงเอาที่จริงนี่ก่อนได้ไหมไม่ต้องไปต้องแต่งตัวแล้วงามแนคงามหน้างามพัสหลานงามอัจฉริยะใสยิ่งใสดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้เอาตรงนี้ก่อนได้ไหมดวงตาดีหมด สวยภายในสวยจใจิตใจจะมีประโยชน์ในงคิดมากขอจ้างใจทำทุกวันสวด ม, มนต์ไหว้พระลูกดีหมดสามีนาข้า็ต้องดีหมดไม่ต้องไปด่าไปว่าเสียเวลาไม่ต้องไปหึงไปหวงหรอกไปหึงไปหวงทำไมมีประโยชน์อะไรเขาจะไปชอบใครก็ปล่อยเลยโมทนาซื้อทำง่ายไหม ให้ทานไปสิอย่างพญองพิชาเนี่ยเขาเป็นทุกขเวชนนทสองกุมารจะมาถือยังให้ได้ใช่ไหมรับบาแแล้วทำไมสวามีให้คนอื่นไม่ไนี่รู้เรื่องทุกขเวชนนท์สองกุมารยังให้ได้ในยันหน่งขยาาตาเขายังคว้าให้ได้คือลูกชายของาหัวใจกขควาให้คนอื่นได้ วใจคืออะไรรวมรู้ไหมนะวิจัยจะคว้า ใ, จจาใคคนอื่นได้คืออะไรยังงั้นเลยโอ้รู้เหมือนกันเด้อเจิใจก็เจอสามีทายาจังสามารถให้เป็นพรมได้แต่เราสามีใครมาขอให้ไม่ได้เด้อให้ได้ไหมนะนะ ะ น, ะะนก็ถูกแล้วล่ะเอาไปทั้งตัวสิจะเอาตังเราไปได้ยังไงลนะ่ะเนีเาเคยเอาตังเราไปเหรอให้เขาพวกนักกรรมฐานต้องใจกว้างและก็ ทั้งโคมเม่ตาตานีอาหเือเพื่อขายหรือเขาดยูกันอย่าห่วงกันยิ่งให้ยิ่งได้สามีเราใครขอให้เลยเดี๋ยวได้เงินไม่เสร็จเขาจะเงินใส่เขาจะเอเงินมาให้นะมา2วันนี้สามีเขาขายสามีแต่สองงานเลยขอเจริญพรทุกท่าน ไดสองลาหนไม่ใช่ผู้เล่นนะดอกเตอรสามคนเป็นเพื่อนใจมนลูกเขยสะพ้ายหมดแล้วแต่ดอกเตอผู้หญิงคนนีย้ยังไม่มีครอบครัวดอกเตอร์สองคนมาจากเมกาลูกเต้ามีหลักฐานที่เมกาหมือนกันมีไม้ตั้งหลักฐาน้นประเทศกันแล้ผู้หญิงเพื่อนคนเนี้ยต้ก็ไปบอกว่าเพื่อนครยนยาเนี่ยผู้หญิงด้วยกันนะ วันนี้เธอเราอยู่เป็นเพื่อนกันมาเลี้ยนมาอย่งสามคนฉันมาประเทศไทยสว่ปีตื่นเนาะไม่ยังดีถูกต้องถูกใจเลยสักคนโซฟูชามาเอาไหนสักคนเลยมันมีอะไรดีเท่าผัวเธอว่าเธอดีจริงๆฉันดูคนอื่นมาเนี่ยไม่ใช่เลี่ยงกันหลนะนี่เราเป็นเพื่อนกันขอพูดลงไปตรงมานะ ทันจะขอสามีเธอเธอจะว่าอย่างไรอ่ายอมตอบนะใจแค่พันยาตอบว่าไงรู้ไหมเพื่อนจั่ตอบว่าไงเพื่อนเขาไม่ทำรนายน้าใจเพื่อนไม่ให้จะอย่างไรเขามาขอแล้ว เราต้องมีแม่ตานะกรรมฐานต้องใจกว้างเขาเข้าใจพูดบวยไม่ช้ำนะำไม่ถนี่เธอจะมาขอเราไม่ได้รเราไม่ยู่เป็นเจ้าของต้องไปถามเจ้าตัวสิว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาจะต้องสมัครไปเป็นสามีเธอไหมไปถามดูถ้าเขาตกลงฉันก็โอเคแน่ต้องสอบอย่างนี้สิคบ เปลี่ยนคำพูดใหม่ได้นะไม่ให้อยู่เราเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยเนะเลยเขาก็ไปถามสามีเลยจริงเหรอเอางั้นเหรอก็ได้ไม่ขาดข้องไม่ขาดข้องเอาจริงๆแล้วคนนี้มีเงินพอไม่ขาดข้องปั๊บาปั๊บให้สองล้านเลยมาเอาไปสล้าน ในที่สุดก็ไปมาให้สู่เหมือนเดิมครั้งนี้ก็มีผัวมีเมียกันยังเดิมไม่เดิมยังไงเน่านุมลงไปสาวลงไปแล้วสาวน้อยลงไปอายุต้อง 5, าทีี่แล้วอายุ58แล้วมี6กทีเท่านั้นเดีย๋ยวนี้ยังอยู่กันแต่เขาไม่ได้ไปอยู่ยังไงในน้ำเป็นสามีกัน แต่แเราเราไม่ได้ถามขอพระทานโทษจงขอผู้พรงไม่ได้ถามโอกาสบัดนี้เทินข อ, ขอเจริญพรทุกทา่าน